บุ๊กทูเจ็ดสิบหกเกอลฟสเหตุผลบางประการสองเป็นกราหนททำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับวาฟังคอมทูอีกผมไม่สบายครับ ผมไม่ได้มาเพราะไม่สบายครับฉันมาไม่ได้เพราะฉันป่วยทำไมเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ wo ำไมเธ o มาไม่ได e เธอเหนื่อยครับรเธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยครับ h u อมาไม่ได้เพราะเธอ a หน ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะครับ han ikke? เขาไม่มีอารมณ์ครับ han ikke เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับเขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ รถของเราเสียครั บ, รบรเราไม่ได้มาเพราะรถเราเสียครั บ, บ ว, บวิ่งคาไทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาครับว่าพวกเขาพลาดรถไฟครับ พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟครับดิ า, าดไมทำไมคุณถึงไม่มาครับวาทำไคุณไม่มผมไม่ได้รับอนุญาตยัยมอร์เตอผมไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาตดิ้คอมอกเพราะดิมดเ